ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่หลวงปรโปทยานกำลังนำเสนออนาปานสติคือการตั้งสติตามระลึกดูลมหายใจเข้าออกก็โดยเพิ่มเติมหลักการที่จะแสดงไว้ในวิสุทธิทมักเข้ามาด้วยแต่ว่าเมื่อมองจากให้มาสติปฐานสูรจริงๆ ก็ทรงสอนให้ดูลมหายใจเข้าออกตามที่ปรากฏในขณะนั้นๆั้หายใจเข้ายาวหรือออกยาวหายใจเข้าสั้นหรือออกสั้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงวันภารกิจที่เราจะต้องทำเกียรตินาปาณสติก็คือทำเท่านั้นแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาภายในจิต คืถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็แล้วไปนะฮะถ้าเปลี่ยนแปลงก็ทรงสอนให้ดูกองลมทั้งปวงคือจุดที่ลมกระทบในตอนออกหรือตอนเข้าเนี่ยลมก่อตัวขึ้นมาจากตอนออกหรือตอนเข้าทีนี้พอถึงจุดหนึ่งลมก็จะสุบสุบบางทีอาจจะรู้สึกคล้ายๆจะหายไปแต่ก็สอนว่าอย่าไปตื่นจนกตกใจ ก็ตั้งสติระ ล, ลึกรู้อยู่ชึ่งที่จุดซึ่งลมกระทบนั่นเองแล้วถึงจุดหนึ่งลมก็จะปรากฏขึ้นแล้วก็ต่อไปก็ส่งสอนว่าย่อมสำเร็จว่าเราจักรระ ง, งับกายสังขารหายใจเข้าระ ง, งับกายสังขารหายใจออก ธรรมกายสังขารนั้นคือสิ่งที่ปนปรือหล่อเลี้ยงชีวิตเราให้ดำรงอยู่ก็ได้แกล่ลมหายใจเข้าออกเมื่อกายสังขารก็สงบคือลมหายใจเข้าออกสงบก็ตั้งสติะระลึกรู้อยู่วิธีการเหล่านี้ก็ส่งสอนอุปมาเทนี้อุปมาในที่จริงคือจะดูยังไงก็ตามเราจะดูจากการเลื่อยไม้เช่นว่ า, ว า, วาเวลาเลื่อยไม้เนี่ย ล้วก็ดูคมเลื่อยกระทบกับเส้นบรรทัดนเะน่ถ้าคมเลื่อยอย่างกระทบกับเส้นบรรทัดอยู่จงอื่นมันก็ชื่อ่าตรงตามไปด้วยเราไม่สามารถจะเห็นได้เลย ว, ว่าดูคนซึ่งเหมือนกับเราเข้าประตูคือใครเข้าใครออกเปี่ยเราก็รู้เฉพาะคนเข้าคนออกแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปรู้เขาเข้าไปแล้วเนะ่จะไปไหนออกไปแล้วจะไปไหน แต่ในที่นี้ก็สมอุปมาเหมือนกับช่างกลึงนะฮะตะช่างกลึงสมัยโบราณกับช่างกลึงสมัยนี้ก็คงจะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าเมื่อก่อนก็อาจจะใช้เชือกชักแต่วันนี้มันก็หมุนด้วยด้วยเครื่องยนต์กลไกไปแล้วนะแต่ว่าจุดต้องคงเหมือนเดิมคือว่าเราต้องการกลึงตรงไหนก็กลึงตรงนั้น คือตั้งเครื่องมือที่จะกลึงเนี่ยให้ตรงไว้ในจุดนั้นแล้วก็สิ่งที่เรากลึงมันก็หมุนมาเองไม่ว่าจะเป็นกลึงเหล็กหรือกลึงไม้อะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นการสอนให้ดูเวลาทําจิตคือให้ดูว่าเวลาหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว เมือ่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมือ่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นแล้วก็สังเกตจะรู้กองลมทั้งปวงคือหายใจตามลมไปลมกระทบเข้าไปจากช่องจมูกแล้วก็มองตามไปตัวนี้ตรงกับแนวของโยคะสูตรนะของปัตตันชลีเพราะว่าเป็นการฝึกแบบลวมปลาน แต่ว่าเราก็ไม่เอาแบบฝึกลมปราณก็คือดูไปโดยธรรมชาติของมันนะ่ะธรรมชาติกองมันปรากฏในขณะนั้นเป็นยังไงก็ดูไปอย่างนั้นแล้วก็ในที่สุดมันก็ดูการสบรงบประงับแ่งกายสังขารทงหายใจเข้าและหายใจออกตรงนี้ถ้าเราดูให้ดีนะวิธีสอนที่ทรงแสดงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงหลักการเจริญอนาปานสติ สติแปลว่าตามระลึกคือระลึกตามไปแต่บางทีก็ระลึกเฉยๆนะฮะระลึกจุดที่ลงก็เท่าที่เฉยพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเห็นกายเรียกว่าย่อมพิจารณาเห็นกายในกายที่เป็นภายในหมายความว่าส่วนย่อยของหนังกายลมหายใจเข้าออกก็เป็นกายนะฮแล้วก็ในลมหายใจเข้าออกที่จริงมันก็ซ่อนๆกันอยู่ เห็นกายที่เป็นภายในแล้วก็กายที่เป็นภายนอกคือนอกจากที่เราเห็นแต่ว่าโดยหยาบๆเนี่ยโดยหยาบๆเราจะเห็นว่าตามปกติแล้วก็มองจากภายในหรือภายนอกเช่นสมมุติว่าเราดูคนตายจากข้างนอกเนี่ยแล้วว่าน้อมเข้ามาตัวเราอย่าในคาถาที่พระใช้บางสกุล ที่บอกว่านิจวาาะวัตสังขาราปาวญาธรรมิโนเโป็นตตนเนี่ยก็มองที่ศพนั่นเองบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนองมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเพราะเราอยู่กับมันเราต้องเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยก็ต้องเจอกับมันตลอดการทำใจสงบระงับ ในสัตว์ในสังขารทางหลายใช้ได้ก็เป็นความสุขทีนี้พอเราเจอกับความตายหรือคนที่ตายเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาก็เป็นกายภายนอกนั้นก็ตายไปแล้วจุดกายเรา ต, ต่อไปก็ต้องแตกดับเหมือนกันด้วยกายทำนองอื่นมันก็จะมีลักษณะยอย่างนั้นขยายความคิดออกไปเป็นสากลที่ทรงสอนไวยว่า ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ลงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เคยชีวิตก็ก็เป็นข้างหวันอย่างนั้นเองในแนวความคิดแต่ละถนะนี้มันก็จะบันเทาตำหนามนติจิตลงไปคือจะถือเป็นตัวเป็นตนเอาก็จริงมันก็ไม่ใช่ตัวฉันตนเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนู้นเราเป็นเจ้าคุณเราเป็นชันั้นชั้นนี้ก็ที่จริงเราก็ไม่ได้เป็นจริง เสร็จแล้วมันก็เป็นแค่ศพเป็นด้านนั่นเองพอถึงจุดหนึ่งเราก็เป็นศพตายเวลาเราตายมันก็มีสถานะเท่ากันก็คือเป็นศพไม่ได้มียศชั้นอะไรเป็นพิเศษนะแม้แต่ว่าอาจจะใส่โกรธอาจจะมีเครื่องประดับอะไรก็ตา ม, มก็คือศพแต่นั้นเองมันก็จะเรียนรู้เรื่องของโลกของชีวิตให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอย่าง อย่าี่น้องเกิดตายขึ้นมาเพื่ชนคนที่เรารักเกิดตายขึ้นมามนเขาคิดว่าคนที่ต้องตายเป็นธรรมาดาก็ได้ตายไปแล้วคิดไปมันก็เท่านั้นเด็กไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเพราะว่าเสียใจไปมันก็เท่านั้นมันไม่ใช่ว่าพอเราเสียใจแล้วคนที่จะตายจะฟื้นขึ้นมาก็เปล่าเขาก็ไปอย่างที่เขาไปแล้วเขาก็ไม่รับรู้ความเศร้าโศกเสียใจของเราด้วย เราไม่ร้องไห้อย่างน้อยที่สุดก็รักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตเอาไว้แต่ร้องไห้มันก็ซ้ำเติมทําให้สุขภาพสุขภาพกายสุขภาพจิตเราก็ทรุดโทลงไปแล้วญาติพี่น้องก็ปลเดือดร้อนด้วยเมื่อเราไม่เศร้าโศกญาติพี่น้องก็เดือดร้อนน้อยลงคือเฉพาะคนญาติที่ตายแต่นั่นเองและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือคนที่ตั้งตัวเป็นคาสึกเป็นจตูกับเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้โอกาส ที่จะไปซ้ำเติมอะไรเราได้เพราะว่าปัญญามาเกิดรู้เท่าทันเรืความจริงหรือการที่จะเข้าถึงระดับที่ายถอนตถามารมณที่ถี่ลงไปได้สิ้นเชิงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นปนัญหาภูเขาแต่ทำยังไงว่าให้เกิดปัญญารู้เท่าทันคือไม่เศร้าสู่เมื่อประสบกับการรัพราษูญเสีย คือจะดีใจหรือเสียใจเนี่ยสังขารทั้งหลายมันเป็นไปตามธรรมดาของมันแต่ว่าในแนวการดีใจเสียใจที่จริงเราก็เป็นกันตกอยู่ภายใต้ของอำนาจของกิเลสเราสังเกตว่าคนตายเนี่ยคนตายถ้าเรามีธรรมะเข้ากำกับก็จะมีความรู้สึกดังกล่าวแล้วแต่วา่าใจเราถูกกำกับด้วยกิเลสเลวลาคนที่เป็นศัตรูตายจะดีใจ บุคคลที่เป็นมิตรเป็นสหายิตายก็จะเสียใจเซีใจมาจากอะไรมาจากความรักดีใจมาจากอะไรมาจากความโกรธเห็นไหมแล้วก็มาจากกิเลสก็แสดงว่าอาการเหล่านั้นก็เป็นอาการที่จิตยอมสยบอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสแต่ว่าคนจะไม่มองในแนวของการสืบสาวลงไปเท่านั้นเองส่วนมากว่าแม่ตายพ่อตายก็แท้แค่นั้นเนี่ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่ มันเกิดมาจากความรักว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่ใช่ว่าพ่อแม่ตายแล้วก็ต้องเศร้าโศกนะคพ่อแม่คนอื่นตายเราไม่เห็นเศร้าโศกเลยเพราะอะไรเราไม่มีความรักว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราแล้วก็ทาไม่เห็นโทษกะสาวลึกไปก็เจอโทษของกิเลสทุกทีแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าเมื่อเราพิจารณาเห็นกายในกายที่เป็นภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาถึงธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างนะฮะเราก็ดูอะไรก็ได้นะฮะจริงจริงเนี่ยแต่ว่าเราดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยคือเราจะเห็นว่าลมหายใจเขาออกเนี่ยมันตกอยู่ในกฎของใจรักเหมือนกันเดี๋ความไม่เที่ยงเป็นภพเป็นนาตาคือมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไป ตอนเราเริ่มต้นหายใจใหม่นั้นลมอาจจะเข้ามาแรงแล้วมันก็อ่อนลงไปแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ตอนหายใจออกก็เริ่มต้นก็มาแรงแล้วค่อยออกไปแล้วก็หายไปก็แสดงว่าที่จริงก็เป็นอาการเกิดขึ้นตัน้งอยู่ดับไปแล้วเราก็เรียนจากลมหายใจเข้าออกไปเทียบกับอะไรก็ได้นะะเทียบกับใบไม้เทียบกับคนเทียบกับสัตว์เทียบกับยาดีน้องเราเทียบกับสัตรู เ, าเราอเทียบกับสังขารทั้งหลายเทียบกับก้อนน้ําแข็งแกงที่ตักขึ้นมาใหม่ๆอะไรแต่ไรเนี่ย มันด้วยในกฎเดียวกันเช็ดเวลามีบวกไอซ์รีมพวกอะไรเราก็บอกเออเรีบกินแต่เดี๋ยวจะละลายเจ้ั่นก็หมายความวาเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปมันก็เป็นกายอย่างหนึ่งไอซ์ครีมมันก็เป็นกายอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ ว, ว่าถึงแกงเ้านอนนะที่ลองกินเร้อนรอนเนี่ยบอกเรียบเราก็ทานเตี้ยไปเดี๋ยวจะเย็นนั่น แ, แสดงว่าเรารู้ถึงกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาก็สิ่งเหล่านั้นแล้วก็สอนให้มองไปจนถึงสติที่รู้สึกว่าว่ากายในมีอยู่เนี่ยก็มรากฏว่ากายมันก็สักว่ากายอะไรนั้นเองสักแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการอาศัยของเราอาศัยเป็นเครื่องมือในการระลึกแต่ก็จริงเราก็เอากายนั้นไปไม่ได้กายนั้นเราก็ต้องทิ้งไป ในอย่างพระเรียบุคคลที่ท่านสำรอกความปล่อยใจในกายไปได้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ท่านก็ไม่รู้สึกว่ากายท่านแล้วนะเพราะท่านถอนสกายาิติเอกไปได้แล้วยิ่งกึ่นขึ้นไปสูงๆแล้วก็ยิงแล้วยายเลยก็จะเข้าถึงความจริงว่าเอาก็จริงมันก็สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกแต่ น, นั้นเองเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกและเท่า น, นั้นเอง ในที่สุดมันก็จะไม่ยึดติดในกายตนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือไม่ปักใจฝังใจโดยไม่ยอมคลายใจก็ได้นอนแหละในแง่กุศสมติสัจจะมันก็เป็นกายเรานั่นแหละแต่ว่าพอความแก่เกิดขึ้นมันก็เือว่าธรรมดาพรต้องแก่เป็นธรรมดาเจ็บเกิดขึ้นก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาตายเกิดขึ้นก็ต้องตายเป็นธรรมดามันได้เข้าถึงธรรมดาแล้วก็ เขาก็จริงมันในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ที่ทรงแสดงโดยสรุปนะฮะว่าทำต้องปร่งบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นรับสั่งสอนแก่พระโมคคัลลานะตอนที่ท่านไปบําเพ็ญเพียรอยู่เนี่ยหรือที่ประบาทสมนเด็จพระเจ้าพระจอมเก้าจะอยู่หัวท่านรับสั่งก่อนจะสวรรคตเนี่ไปเลาะมาง ก, กันนะฮะนัเทตังโลกัสมิงยังอุปาเดยะมานังอนาวชางังอัส สิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมัน่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษเนี่ยไม่มีเลยนั้นก็แสดงว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันมันจริงๆมันยึดถืออะไรไม่ได้อยู่แล้วร่างกายของเราที่อยู่กับเรามาตั้งนานนะนะไม่เคยพูดจากันรู้เรื่องเลยอะแกจะเจ็บแกก็เจ็บแกก็ป่วยแกก็ป่วยแกแกเมื่อยแกก็เมื่อยนะที่ยัง คือเวลาไปบรรยายอบรมสอนเด็กเนี่ยคือเด็กนี่จะเจอปัญหาเมื่อยเนี่ยเยอะมากแล้วจะถามทุกชุดที่มีการตอบปัญหาคือคอืออ่านเรื่องนั่งแล้วก็เมื่อยนะฮะก็ทําให้เห็นว่าธรรมดานะแม้แต่ตัวเล็กๆ เ, เนี่ยก็เมื่อยไม่ต้องพูดอะไรกับคนแก่เพราะมันเมื่อยมันติดมาตั้งแต่อาจจะอยู่ในคันเลยทั้งไปนะไม่ได้ถามหมอว่าเด็กในขาในเมื่อยหรือเปล่าดูแล้วก็น่าจะเมื่อยเหมือนกันนะฮะ แล้วก็แสดงว่าถ้าก็ตกอยู่ในกฎในกฎของธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เมื่อมองอย่างนี้ในที่สุดนี่ก็จะไม่ยึดมันถือมันเรามองกายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างที่เข้าใจทีนี้อาการที่มองอย่างนี้คืออย่าลืมว่าโดยหลักทั่ ว, วไปเนี่ย เราจะมีกิเลสประเภทต่างๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเรากับเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราเนี่ยที่จริงมันเริ่มจากตัวตนก่อนเริ่มจากตัวตนก่อนคือมีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็น ต, ตนแล้วไปจากชื่อเสียงเรียงนามจากสถานะอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยเข้ามาประกอบกันข้าวก็ทําให้ตัวตนมันก็คืนไปเรื่อยๆเลยนะวันก่อนก็มีผู้ใหญ่้ามากัน แล้วก็มีสุนัขวิ่งมานะฮะแล้ว ก, ก็บอกสุนัขเนี่ยเป็นสุนัขของผู้ใหญ่แล้วก็เกิดเลยกับปะโลม ก, กันว่าเออสุนัขนี่มันก็แปลกเนาะมันรู้เหมือนกันนะว่าเจ้านายมันเป็นผู้ใหญ่มันจะเบ่งมากเลยเวลาเจ้านายมันอยู่หรือต่อหน้าเจ้านายมันจะเบ่งมาเคยเห็นสุนัขที่วัดหนึ่งเจ้าของก็เป็นรองเจ้าวาด แล้วก็เป็นอาจารย์ใหญ่วันลูกหมากตัวหนึ่งก็เบ่งมากเลยใครเข้าใกล้ก็ต้องเห่าต้องแสดงอาการคุมคูู่กขามหรือประการต่างๆต่อมาเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยก็มรนภาพนะฮะเด็กมันจับผูกกลําเชือกแล้วมันไล่เขี้ยนฮก็ไม่ตีจริงๆนะไล่ทุบทุบเอกพื้นดินเนี่ยเปอ ให้มันสอนเนะี่ยมันรู้สึกตัวที่หลังก็หน่อ ย, ยนะคือคือคือไม่เด่งนั่นี่ยคืออะไรคือมันเอาอัตราของเราซึ่งมันเล็กเนี่ยไปโยงอัตราใหญ่นะเช่นเป็นลูกน้องเจ้านายลูกน้องรัฐมนตรีลูกน้องใครที่บดีตัวเองเล็กไม่เดียวอนะได้จริงๆนะแต่ว่าไปโผล่อัตราคนอืน่นก็ทำให้อัตรามันเขื่อนขึ้ แต่ในขณะเดียวกันเราเองเราก็มีความรู้สึกเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอาจจะรู้สึกว่าขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในขันห้าก็ตามแล้วสรุปว่าเขาเรียกว่ามันไปยึดถือเดื่องหน้าก่อนทิฐิทิฏฐิตรงนี้ที่จริงเป็นความเห็นผิดมันไม่มีตัวตนในลักษณะอย่างนั้นจริงๆหรอกมันเป็นเรื่องการเกาะกลุมของสัตว์ของสังขารทั้งหลายเนี่ย มเห้ายๆการ์ดรถเรือกับบ้านกับอะไรก็ตามนะฮะมันก็อาศัยการประกอบประชุมกันของสิ่งทั้งหลายอย่างได้สัดส่วนมันก็เกิดเป็นสิ่งนั้นถึงนั้นขึ้นมาแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเหตุปัจจัยมันสลายไปสิ่งเหล่านั้นก็สลายไปเราก็เห็นกันตลอดในชีวิตของเราเนี่ยนะอย่างสมัยหนึ่งที่เราพูดถึง ชีวิตของคนว่าสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สองคนพาไปก็เป็นปริศนาส่วนในคิดว่าสีคนหามก็คือเรื่องธาตุสี่เป็นที่เกาะกลุมเป็นที่รวมของธาตุสี่แ้วลองสังเกตว่าบ้านเมืองเราที่มีปัญหาเรามีปัญหาที่ธาตุสี่ดินน้ำลงไฟเนี่ยดินน้ำท่วมน้ำหลากคนตายบาดเจ็บเนี่ยดินน้ำลงไฟทั้งนั้นแหี่เรื่องดินน้ำลงไฟทั้งนั้น มันก็มีหน่วยย่อยอยู่ในตัวเราแล้วเราก็เป็นส่วนประกอบร่วมก้อนดินน้ําลมไฟอากาศแล้วก็ดีเราก็มีวิญญาณนะมีวิญญาณนธาเข้าไปผสมอยู่และตัววิญญาณนธาเนี่ยมันก็นําไปสู่การรู้สึกเป็นตัวเป็นตนตัววิญญาณนธาเองนั่นแหละที่ถูกเรียกเป็นอัตตาเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นหน่วยย่อยที่มาจากหน่วยใหญ่คือมาจากอัตตาใหญ่แล้วก็ทําให้เราก็เคืองขึ้นไปตามอัตตาตัว น, นั้น ที่จริงมันไม่มีอะไรมันนึกเหมือนกับการแสดงละครหรืการเล่นละครเน่ยทั้งหมดในที่จริงมันเป็นสมมติสัจจะแต่พอเราดูไปดูไปเราอินกับบทตรงนั้นเราก็ทึกตักกับเป็นจริงเป็นจังกยสนุกสนานโกรธเคืองขัดขั บ, ข, บขับแค้นอะไรแต่อะไตามบทบาทที่เขาแสดงไปด้วยโลกเราที่จริงมันจะมีลักษณะอย่างนั้น คือก็มีการสมมติซ้อนซ้อนซ้อนกันไปเรื่อยๆ อ, อยามาดูที่ตัวเองนะะอาตมาเองก็โดนซ้อนสมมุติซ้อนกันมาเรื่อยๆแล้วไม่เป็นจริงเั็นอย่างองี้พอถึงจุดตายเราก็เป็นแค่ศพนะเป็นแค่ศพเท่ น, นั้นเองเมื่อตอนสมัยเป็นราชธรรมนิเทศนี่พัดมันกล่าวมาเลยก็ยังบอกเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเป็นพัดผี คือเจ้าของเนี่ยคงตายมาหลายศพแล้วมาถึงเราต่อไปเราก็ตายต่อไปคือเราไม่ได้ครอบครองจริงเราไม่ได้เป็นจริงเป็นเป็นเนี่ยที่จริงมันคู่กับตายนะฮะเป็นก็คือคู่กับไม่ได้เป็นก็ทําให้เรามองเห็นว่าไอ้สิ่งทั้งหลายที่เราคิดว่าเราได้ครอบครองเราได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างเนี้ยที่จริงเราไม่ได้เป็นจริง บุญกุศลต่างหากนะที่เราทําแล้วเราได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของจริงแต่ว่าคนจะไม่ค่อยคิดในเรื่องเหล่านี้ทลายเราคือจะเอาการแต่งตั้งการมอบหมายคือบางทีเนี่ยมันเสียความรู้สึกอย่างบางทีพระบางองค์เราก็คุ้นๆเป็นเพื่อนเป็นขู่กันนะฮะแต่เราก็อึดอัดทีว่าท่านเป็นทุกตําแหน่งนี่ท่านวิ่งเต้นเอาสุดเบี่ยงทั้งนั้นเ แราเป็นกันมาด้วยวิธีการต่างๆพื้นใหญ่โตยังไงเนี่ยเราทําใจให้อนุมโมทนาไม่ได้เราะมันเป็นกองกิเลสเคลื่อนที่จะมันเคลื่อนไปเรื่อยๆและในสุดจะให้คนอื่มเขาไหว้เขากราบเขาแสดงความนับถืออะไรละ่ะที่เป็นคุณธรรมภายในโลกก็จนถึงก็คุมไว้ไม่อยู่หลงก็คุมไว้ไม่อยู่แล้วถ้าใครไม่ยอมรับสถานะตัวเองก็จะเกิดความโกรธ น, นความรู้สึกเราเนี่ยเคยเคยเจอสมัยตอนบวชใหม่ๆก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะสามสี่พรรษาแล้วก็พระที่วัดเนี่ยเขาทะเลาะ ก, กันเด็กดังลั่ น, นพอดีโยมมานั่งคุยอยู่กับตามะตามาป่วยโยมก็มาเยี่ยมแล้วก็ก็นอนครึ่งนั่งครึ่งนั่งครึ่งนอนนั่งก็นั่งไม่ไหวนอนก็น่าเกลียดเลยครึ่งนั่งครึ่งนอน เสียงที่พระเขาทะเลาะ ก, กันเด็กเนี่ยโยมก็บอกว่าดูที่ทัานดูที่ท่านมันเป็นกองกิเลสเคลื่อนที่กันแทๆ้ๆเราไหว้กองกิเลสเคลื่อนที่กันแต่แต่อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจอาตมามาตั้งแต่วันนั้นจนเดืยนนี้นะเราเลเรื่อยเลยกองกิเลสเคลื่อนที่เนี่ยนึกถึงเรื่อยเลยเราทำยังไงว่าเราคงไม่หมดกิเลสหรอกแต่ว่ายายกิเลสมันมากเกินไปพยายามเอาชนะพยายามบรรเทาพยายามหาความเข้าใจ จะจากสิ่งต่างๆออกไปอย่าน้อยก็ไม่รู้อํานาจแก่กิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นจนถึงก็ครอบงําจิตใจและบังคับจิตใจให้สายไปมาตั้งบนแนวตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจกายแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะมันไม่ได้เป็นจริงๆมันเป็นกระบวนการของลมหายใจเข้าออกที่ปนปลื้อยอยู่เนี่ยหายใจเข้าไม่ออกหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายให้ใจออกแล้วไม่เข้าก็ตาย ชีวิตมันเป็นเรื่องขนาดที่ต่อกันไปเป็นแถวดับเมื่อไรก็ไม่รู้อ่ะนะอย่าที่เคยเล่าว่านกแขกเต้าชื่อพุทธรักษิติแกถูกเกี่ยวเฉียวไปนะแกก็บอกว่ากองกระดูกกองหนึ่งก็มังทำน้ำกองกระดูอกอีกองหนึ่งต่อไปก็จะตกเลี่ยรายอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนั่นคือชีวิตจริงๆทีนี้แต่การมองอย่างเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอาจจะไม่ถึงก็ได้บรรลุมรคว่อะไรนะฮะ แต่เมื่อเห็นว่าชีวิตตนมนาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ร่างกายเองปนเปื้อนแทบตายอยากหล่ออยากสวยอยากงามปนเปื้อนสารพัดนะร่างกายเนี่ยแต่มันก็เหม็นให้ฟ้องเราตลอดระยะเวลาเลยอาการปฏิกูลเข้ามนเนี่ยก็าฟ้องเราตลอดเวลาเสร็จแล้วมันก็นดับให้ดูมันก็ตายให้ดูเป็นศพที่หน้าขยะขยงหน้าหวาดกลัวนะแต่คนที่รักใครสนิทสนมกันเนี่ยก็ไม่กล้าจับไม่กล้าต้องนะ แล้วก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราก็ช่วยให้อาศัยมันอาศัยมันเป็นที่ระลึกอาศัยมันเป็นที่รู้อาศัยมันเป็นที่เป็นเครื่องมือในการกระทาความดีบางครัง้งบางคราวส่งสอนว่าอาศัยมันเหมือนกระแพนะฮะแพที่จะคํามากไปเราขึ้นฝั่งเราก็ต้องทิ้งแพรเราเอาแพไปด้วยไม่ได้ ร่างกายของเราก็เป็นที่อาศัยกระทาความดีสะสมพึ่มพูนพัฒนาความดีให้เป็นคุณภาพของจิตใจมากยิ่งขึ้ น, นแต่ในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องทิ้งนะมันเป็นสมบัติของโลกดินาน้ำลมไฟอากาศที่มาเกาะกลุ่มก็เป็นกายนั้นมาเป็นสมบัติของโลกเรามาสู่โลกนี้ด้วยกิเลส ก, กรรม พอจากโลกนี้ไปก็จากไปด้วยกิเลสลกรรมสิ่งทั้งหลายที่เราคิดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็มันก็แสดงความจริงให้ดูว่าไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจดอกทั้งฝั่งทั้งหลายแต่หลวงพ่ทิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงา ม, งามไปบุญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี